บางคนในอนาปาณสติเนหูนั่งอยู่กับลมเนี่ยได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเนอะบางคนได้สามนาทีแค่นั้นนะลมหายหมดเลยเหลือแต่เรื่องอย่างอื่นนะบางคนถ้าเป็นเมตาก็อยู่ได้นอนบางคนถ้าเป็นอนุสติอันนี้ยาวนะสามารถที่จะเจริญได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะถ้าเป็นอนุสติบางคนก็ถ้าเป็นาธาตุกรรมฐานก็สามารถที่จะเจริญได้นานๆแต่ว่าการเจริญนานๆนั้น นะมันก็เป็นผลของการเจริญกุศลอย่างอื่นด้วยนะถ้าคนที่สามารถเจริญกุศลด้านอื่นๆหล่อเลี้ยงชีวิตเพราะว่าชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในช่วงเจริญกรรมาฐานตลอดใช่ไหมนะต้องไปใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานเป็นต้นขณะที่ใช้ชีวิตในการเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานนั้นถ้าคนที่สามารถดารงมั่นอยู่กับฝีนดี นะเวลามาเจริญกรรมฐานคนนั้นก็จะเจริญกรรมฐานได้มากน้อยนะคำว่าศีล น, นี้ส่วนใหญ่เราทั้งหลายก็จะได้ยินเฉพาะข้อข้อเดียวคือปาติโมขะสังวร น, นะของเราบอกเอ๊ะไม่ผิดศีลห้านี่ก็ใช้ได้แะแต่ศีลมีศีลห้าอย่างเดียวไหมไม่ใช่นะยังมีศีลที่เกี่ยวกับเรื่องของทวานอีกนะทวานตาหูจมูกลิน้นกายใจ ทำยังไงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆแล้วใจไม่เป็นบาสนะคนที่สามารถรักษาใจได้อย่างนี้ก็พวกนี้มีอินทรีย์สังวรศีลดีหรือไม่เมื่อเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่นะเกี่ยวข้องกับที่อยู A ่อาศัยเกี่ยวข้องกับยารักษาโรคเกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งหม่มอาหารแล้วมีการพิจารณาบ่อยๆผู้ที่พิจารณาไม่บ่อยๆลักษณะนี้ก็ ศีลก็ดีปัจเจกมากๆจะทำให้ศีลข้ออื่นๆดีด้วยนะสมมติถ้าหากว่าเราพิจารณาปัจจัยสีที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะยกตัวอย่างเช่นพิจารณาสถานที่ที่เราอยู่ถ้าเรามีการพิจารณาว่าประโยชน์ของการใช้สอยสถานที่เหล่านั้นเนี่ยคืออะไรถ้าเราพิจารณาได้บ่อย ในขณะที่เราเข้าไปใช้สถานที่นั้นๆเราจะไม่ลืมสติง่ายนะเพราะเราคำนึงถึงประโยชน์ของการไปในที่แห่งนั้นแล้วว่าเราไปทำอะไรนะศา ธ, ธากะสัมปชัญญะเป็นเครื่องวินิจฉัยอย่างชัดเจนเลยว่าไปเกี่ยวข้องกับที่นั้นๆเพื่ออะไรใช้เวลาเท่าไหร่ใจก็จะไม่ไหลไปกับอารมณ์นั้นๆอ่าที่ใช้คาว่าใจไหลไปกับอารมณ์นี้สำนวนเราเอง แต่สํานวนพุทธพจน์เขาบอกว่าไหลไปกับกระแสนะไหลไปกับกระแสแห่งปัญหาไหลไปกับกระแสแห่งกิเลสไหลไปกับกระแสแห่งอวิชชาแล้วก็ไหลไปกับกระแสแห่งผู้จริญนะก็ไหลไปอย่างนั้นนะเขาบอกว่าถ้าไหลไปกับอารมณ์นี้ก็แสดงว่าสุขภาพจิตในขณะนั้นก็เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลดัการพิจารณานี้จะช่วยได้นะอันนี้เป็นศีล น, นะยิ่งพิจารณาบ่อยๆมากๆ คำหนึ่งถึงคุณโทษมากเท่าไรศีนก็จะดีขึ้นเท่านั้นแหล ะ, ะถ้าศีลเหล่านี้ดีน้อมใจไปเพื่อกรรมฐานก็ง่ายน้อมใจไปเพื่อสมถะน้อมใจไปเพื่อวิปัสสนาก็ไม่ถึงกับยากนะเพราะว่ามันมีการปรับพื้นฐานจิตให้มันสมดุลกันหน่อยแต่ถ้าอย่างอย่างค น, นี่ยหัวเราะเสร็จไปร้องไห้เลยเนี่ย ม, มันเวทนามันไม่ใกล้กันเลยเนาะ หรือว่ากําลังร้องให้เสร็จมาหัวเราะเลยเวทนาก็ไม่ใกล้กันมันก็ค่อนข้างยากหน่อยกุศลกับอกุศลเนี่ยเวทนามันก็ไกลกันนะเวทนาของกุศลกับอกุศลนี่ไกลกันเมื่อไกลกันนี้การปรารบถึงศีลบ่อยๆเนี่ยก็จะทําให้กุศลเนี่ยสามารถที่จะเกิดได้อย่างสืบเนื่องได้ปรับความรู้สึกปรับความนึกคิดให้มันมันอยู่คล้ายๆกันนะจึงจะสามารถเป็นไปได้ อันผู้ที่เจริญกุศลธรรมมากๆเนี่ยนะถ้าเกี่ยวข้องกับกิจอย่างอื่นกุศลธรรมก็จะอ่อนนะแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับกุศลธรรมมากๆกิจอื่นๆก็จะอ่อนอีกนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลพึงสละสุขพอประมาณเพื่อสุขอันุภัยบูร์นะอันอะไรที่มันของเล็กน้อยส่วนหนึ่งที่เราพอสละได้ก็ต้องสละนะ ที่ที่กล่าวให้คําว่าสละนี่ก็คือเพื่อที่จิตของเราจะได้เป็นไปกับกุศลมากๆไม่ใช่สละเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมอย่างนี้มากมากนะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นคือถ้าหากว่าโยมมาอย่างนี้ทุกวันแล้วกุศลและจิตไม่ค่อยเจริญนะกลับไปอยู่บ้านแล้วไม่ค่อยเจริญกุศลเป็นเลยเนี่ยแสดงว่ามาที่นี่ผิดพลาดมากนะแสดงว่าของมาเนี่ยพูดผิดพลาดอย่าง ร, ร้ายแรงว่ากลับไปแล้วเจริญกุศลไม่ได้เนี่ยแสดงว่าคนสอนเนี่ยเตรียมหอบเสือได้แล้ว แสดงว่าไม่นเนี่มีผลอะไรเลยก็บอกว่าจำนวนทั่วไปนะสอนเด็กแล้วเด็กอ่านหนังสือไม่ออกนะี่แสดงว่าครูเลยต้องพิจารณาตัวเองแล้วเรามาศึกษาร่วมกันนี่ก็เหมือนกันกลับบ้านแล้วไม่สามารถที่จะเจริญกุศลได้มากขึ้นกว่าเดิมก็ก็เป็นเรื่องที่หน้าหน้าพิจารณาว่าทําไมจึงผิดพลาดขนาดนั้นเรียกว่ารู้วิชาแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําทรัพย์ให้เกิดวิชานั้นก็แทบจะไม่ใช่วิชา ศึกษาพระธรรมแล้วไม่สา ม, มารถที่จะทําอริยทรัพย์ให้มันเกิดบ่อยๆเกิดมากๆได้นี่ก็แสดงว่าการศึกษาของเรานั้นมีปัญหามากนะมันทําอย่างไรเราศึกษาเพื่ออริยทรัพย์กุศลจิตจะได้เกิดบ่อยขึ้นมากขึ้นอย่าง น, น้อยที่สุดกุศลศีลเนี่ยเกิดก่อนอถ้ากุศลศีลเกิดนะศีลห้าดีแล้วนะ แล้วก็ศีลข้อต่อๆไปอีกอินทรีย์สังวรศีลปัจจยสันนิสิตศีลแล้วก็อาชีวะปาริสุทธิศีลถ้าปรารคบ่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นอาทิศีลนะถ้าศีลห้าธรรมดาเรียกว่าศีลถ้าหากว่าจตุปาริสุทธิศีลเรียกว่าอาทิศีลนะก็จะเป็นศีลที่ยิ่งขึ้นไปอาทิศีลดีอธิจิตจะดีด้วยนะอธิจิตเนี่ยจะดี การเจริญเมตตาก็คืออาธิจิตแต่ถ้าหากว่าธรรมะในขณะที่ระงับโทสะพวกนี้เป็นอาธิสินในการพิจารณาว่าเอ๊ะทำยังไงหาอุบายเพื่อที่จะไม่ให้โกรธเพราะขณะที่โกรธก็ไม่ใช่สีลแล้วนะสยว่ะตามะทะเลยสีนยังไม่ใช่เนี่ยถ้าขณะที่โกรธขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพิจารณาถึงโทษของโทสะมากๆขณะที่พิจารณ า, านั้นก็เป็นเรื่องของศีนชั่ ร, ระ อินทรีสังวรศีลนั่นเองชั่ระใจไม่ให้มันเป็นบาปทีนี้พอใจไม่เป็นบาปขึ้นเห็นโทษของโทสักก็สามารถที่จะทำเมตตาให้สืบเนื่องได้นะชาวนะที่หนึ่งก็เป็นเมตตาชาวนะที่สองก็เป็นเมตตาสิบชาวนะไปแล้วก็ยังเป็นเมตตาร้อยพันแ0นหมื่นล้านชาวนะไปแล้วก็เป็นเมตตาสามารถที่จะเป็นเมตตาอย่างเดียวนี่นะได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสมถะ แต่ถ้าหากบอกว่้เมตานี่ดีนะามานั่งกล่อมทั้งนั่งเรียกว่าทั้งโขกทั้งสับทั้งขับทั้งกล่อมอยู่นั่นแหละอันนี้แสดงว่าเป็นการยังยังอยู่ในประเภทศีลอยู่นะาการพิจารณาอย่างนั้นเรียกว่าพิจารณาเรื่องสังวรนะถ้าเออถ้าเรามีโทสะมากๆเนี่ยนะคนที่มีโทสะก็ไม่ชื่อว่าเป็นคนที่มีสังวรเม <ME> ื่อไม่มีสังวรกุศลศีลก็ไม่เกิดสมถะก็ไม่สืบเนื่องอะไร อย่าลืมว่าการเจริญกรรมฐานที่ถูกต้องนั้นไม่ได้เจริญเอาเวลาไม่ได้เจริญเอาอิรยาบถไม่ได้เจริญเอาอิรยาบถนะไม่ได้เจริญเอาอิรยาบถนั่งว่าฉันจะต้องนั่งให้ได้วันละชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือสิบชั่วโมงหรือเท่าไรชั่วโมงไม่ได้นั่งเอาชั่วโมงนะแต่นั่งเอาสภาพจิตที่เป็นไปกับกุศลเพราะยังไงเราไม่นั่งนั่งหลับตาอย่างนั้นเราก็ไปนั่งอยู่แล้วใช่ไหม ทงนั้นส่วนมากโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะอยู่ในอิริยาบถนั่งอยู่แล้วใช่มนั่งดูทีวีก็นั่งอ่ะนะบางคนก็นอนหน่อยงนั้นแม้แต่ดูทีวีเป็นต้นหรือพูดคุยก็อยู่ในอิริยาบถนั่งนั่นแหละแต่ว่าอิริยาบถนั่งอย่างนั้นเรียกว่ากรรมฐานไหมไม่เรียกเพราะจิตไม่ได้เป็นไปกับกุศลอะไรงนั้นการเจริญกรรมฐานที่ถูกต้องนั้นจิตต้องเป็นไปกับกุศลได้อย่างสืบเนื่อง ถ้าเป็นสมถะก็เป็นไปกับอารมณ์นั้นได้ยาวๆแต่ถ้าเป็นวิปัสสนานั้นเป็นการวิจัยอารมณ์นั้นๆเลยนะวิจัยอารมณ์นั้นๆโดยโดยอะไรบ้างโดยปัจจัยใช่ไหมว่าอารมณ์นั้นๆเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรยกตัวอย่างเช่นรูปารมณ์นี่เกิดจากปัจจัยอะไรบ้างใช่ไหมแต่ในชั้นต้นก็ต้องเอารูปารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาตั้งก่อนใช่ไหมอา่ารูปารมณ์ที่ว่านี่คือรูปารมณ์ชนิดไหนนะ เช่นสีสีที่ว่าเนี่ยสีที่ไหนสีที่ผมที่ขนที่เล็บเป็นต้นแล้วก็วิจัยโดยปัจจัยต่อไปว่าสีเหล่านั้นนะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยสีอาศัยอะไรเป็นปัจจัยนะนะสีเหล่านั้นอาศัยมหาภูตรูปเป็นสหชาตปัจจัยมหาภูตรูปเป็นสหชาตปัจจัยของสี นะเพราะว่าสีนั้นจะเกิดขึ้นโดยที่ไม่อาศัยมหาพูตธรูปไม่ได้นะเพราะฉนสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้าเงินสีน้าตาลแต่ละสีเหล่านี้ก็คือเป็นคุณลักษณะของมหาพูตธรูปนั่นเองถ้าหากว่าสีเหล่านั้นเนี่ยเป็นสีที่เกิดจากมหาพูทธรูปที่มีกรรมเป็นตัจัย กรรมนี่ทำให้มหาภูตารูปเกิดเมื่อมหาภูตรูปอันนั้นเนี่ยมีคุณลักษณะที่ดีเสีของมหาภูตรูปก็ดีไปด้วยอย่างยกตัวอย่างเช่นผิวผิวพันเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่ากรรมนี้ทําให้มหาภูตรูปดีสีของมหาภูตารูปอันนั้นก็จะดีด้วยแต่ว่ากรรมอย่างเดียวไม่พอใช่ไหมมหาภูตรูปนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยอย่างอื่นอีกมาหล่อเลี้ยงนะมหาภูตรูปไม่ได้เกิดจากกรรมอย่างเดียว มหาภูตรูปที่อยู่ใกล้ๆกลุ่มใกล้ๆกันนั้นยังมีเป็นมหาภูตรูปที่เกิดจากจิตด้วยเป็นมหาภูตรูปที่เกิดจากอุตุด้วยเป็นมหาภูตรูปที่เกิดจากอาหารด้วยนะเกิดจากสมุธฐานตั้งหลายอย่างอันอา ah หารเนี่ยนะก็ไม่ใช่ไม่ใช่อา ah หารเช่นดเดียวอา ah หารยังแตกแขนงในสายอา ah หารไปอีกตั้งหลายอย่างเรื่องจิตที่เป็นปจัจจ ah ัยแกมหาภูตรูปก็แตกจิตไปอีกตั้งหลายอย่าง ที่เป็นปัจจัยแกมหาภูตรูปอันนั้นอันนั้นอุตตุก็เหมือนกันอุตุตั้งหลายอย่างเป็นปัจจัยแก่มหาภูตารูปอันนั้นแล้วกรรมอีกก็กรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลก็ยังเป็นปัจจัยแก่มหาภูตรูปเหล่านั้นเพราะฉะนั้นมหาภูตรูปอันนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมมังย่างก็ทําให้มีภาษาทะได้ภาษาทะก็คือความใสของ มหาภูตรูปที่สามารถรับสีรับเสียงรับกลิน่นรับรสรับโภตาพะเหล่านี้ได้ใช่ไหมถ้าหากว่าความใสอันนั้นเนี่ยถ้าใสาแบบทางตาอาศัยตาอันนี้กับภาพจิตเห็นก็เกิดอันไอมหาภูตารูปอันนี้นี่แหละเธอว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งต่อจิตเห็นด้วยนะแต่ว่าเพราะว่ามหาภูตารูปอันนั้นเป็นสหชาติปัจจัยแก่ ภาษาทารูปอันนี้เรียกว่านามรูปเป็นปัจจัยแกสลายตนะใช่ถ้าหากว่ารูปไม่มีสลายตนะก็ไม่มีเมื่อสลายตนะไม่มีภาษะก็ไม่มีใช่ไหมมันก็จะเป็นไปในลักษณะนีะ้การวิจัยในลักษณะนั้นเป็นแนวของวิปัสนาแต่คนถ้าที่จะวิจัยใคร่ครวนตรายตรองยาวๆได้นะสามารถพอกพูนความเห็นอันนี้เป็นทิฏฐิของตัวเองไปเลย อันนั้นเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ์นะี่ทาให้มันเป็นความเห็นไปเลยอ่ะว่ามองเห็นปั๊บเนี่ยไอความคิดอันนี้กับคําสอนอันนี้มันอันเดียวกันอ่ะไม่ใช่กล่อมตัวเองเออนี่เกิดจากกรรมนะนี่เกิดจากจิตนะนี่เกิดจากอุตุนะไ อ, อถ้ากล่อมลักขนาดนี้ก็เรียกว่ายังเพาะศรัทธาอยู่เลยอันนั้นยังไม่ได้ใช่วิปัสสนาอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ก็ดีแล้วละ่ะนะแสดงว่าเข้าแนวทางแนละ้วทาจนกว่าจะเป็นทิฏฐิของตัวเองไปเลยนะ มองเห็นตัวกรรมเดินได้มองเห็นผลของกรรมเดินได้อ่ะนะกิริยาท่าทางนี่อย่างถึงเจตนาได้เลยว่าเจตนานี้มีผลนะผลของเจตนานี่ออกมาในรูปแบบอย่างไรสามารถที่จะวิจัยเป็นเรื่องของความเข้าใจไปเลยเหมือนกับคนที่อ่านแผนที่ออกเนี่ยมองเห็นเลยมองเห็นเนี่ยเป็นคติเป็นกรรมเนิรดนะมองเห็นเป็นคติเป็นกรรมเนิรดนะเป็นพบเป็นภูมิไปได้เลยที่จะเป็นละเอียดแล้วก็สามารถที่จะ คำหนึง่งลึกซึ้งไปจนถึงขนาดว่านะมหาภูต ร, รูปพระผู้มีพระภาคอุปมาเหมือนกับอสรเพิษสี่ตัวนะนะเมืาธาตุดินาธาตุน้ําธาตุลมาธาตุไฟนี้พระองค์อุปมาเหมือนกับงูสี่ตัวแล้วมหาภูต ร, รูปเป็นขันไม้เป็นเป็นรูปประขันเมื่อเป็นรูปประขันนะรูปประขันนี้พระองค์ทรงสแสดงว่าเหมือนเพชฌคาตนัมือนนั่นนะ เหมือนเพชรจคาดนะเมื่อขันอันนี้เนี่ยเป็นอายตนะภายในอายตนะภายในเหล่านี้พระองค์แสดงว่าเหมือนกับบ้านร้างบ้านร้างอารมณ์ภายนอกที่มาเกี่ยวข้องกับเหมือนกับจรปล้นกุศลไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คบหาสมาคมไม่ได้ถ้าวิจัยมากๆนะพวกตีรณะปริญญาก็จะแน่นมั่นคง น, นี้ทําความเห็น อันนี้ให้มันเป็นอัธยาสาัยของบุคคล น, นั้นไปเลยอ่ะนะทํให้ให้มีความรู้ความสามารถความนึกคิดเป็นไปตามนั้นจริงๆเป็นไปตามคำสอนจริงๆคนที่สามารถอบรมแนวความคิดลักษณะนั้นได้จึงจะพอกพูนกุศลเป็นไปเพื่อวิวัตตะในชั้นสูงได้แต่ถ้าหากว่ายังไม่ได้ก็สะสมบารมีต่อไปนั่นแหละให้ทานก็เพื่อเพื่อสติเพื่อปัญญานะ การเจริญกุศลธรรมการรักษาศีลนะการศึกษาพระธรรมคําสอนเหล่านี้ทั้งหมดก็เพื่อเจริญปัญญาถ้าปัญญาเหล่านี้เกิดขึ้นมากๆก็จะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ได้ดังนั้นการเจริญเมตตานั้นก็เพื่ออะไรก็เพื่อเป็นจิตตวิสุทธิเพื่อที่จะเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิวิสุธทธิเป็นต้นเนี่ยสา ม, มารถที่จะเจริญงอกงามไพ่บูรบริบูรณ์ต่อไป ทำยังไงที่จิตของเราจะได้เป็นกุศลได้อย่างสืบเนื่องถ้าหากว่าจิตไม่สามารถที่จะเป็นกุศลได้อย่างสืบเนื่องนะโอ้วิปัสสนานี่ก็ยากก็ว่าถ้ากุศ ล, ลจิตเกิดยังไม่สืบเนื่องนะอย่าว่าวิปัสสนาเลยอย่มั้ยวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ใช่ไหมแต่ว่าอบายไม่รู้จะพ้นหรือเปล่าไม่รู้ถ้าใจมันเป็นบาปบ่อยๆอย่าว่าวิปัสสนาพ้นทุกข์นิพพานอะไรเลยนะถ้าคนที่จิตเป็นบาปมากๆก็จะเป็นในลักษณะนั้น การศึกษาเรื่องเมตตาศึกษาเรื่องโทษของโทสะอนิสง์ของเมตตาและสามารถที่จะพอกพูนเมตตานั่นก็เป็นอุบายวิธีหนึ่งเพื่อที่จะชำระจิตให้ให้บาปในน้อยหน่อยเังงอนันเถอะเมื่อจิตเป็นบาปได้น้อยเท่าไหร่กุศลจิตก็เกิดมากเท่านั้นเมื่อกุศลจิตเกิดมากกุศลเหล่านี้จะเป็นตะทางฆ่าประหารแต่เป็นตะทางฆ่าประหารเพื่อสมุดเฉทประหารเป็นวิขำพรนะประหารเพื่อ สมุทเฉท่าประหารนะโดยปกตูปะนิสยปัจจัยอย่างเดียวมาฟังถ้าหากว่าคนที่เจริญเมตตาเจริญเมตตาเจริญทีแรกเจริญยังไงนะเจริญยังไงเจริญให้ตัวเองก่อนเจริญว่ายังไงเจริญว่าขอให้ให้เรามีความสุขนะเนาะนะนะไปอวยชัยให้พรให้ตัวเองมีความสุขบ่อยไหมนั่นแหละนั่นแหล ะ, น, น, หละนั่งนึกใครตัวเองมีความสุขะนะ แต่ต้องรู้จักความสุขก่อนนะอย่าลืมว่าการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถึงกล่าวอย่างนี้จะต้องสัมพันธ์กับพระธรรมหมวดอื่นๆนะไม่ใช่มานั่งให้สุขแล้วก็สุขที่ว่านี่มันคืออะไรก็ยังไม่รู้อีกก็ยังงงเลยอย่างเงี้ยนะขอให้มีความสุขก็แสดงว่าไอ้ความสุขที่ว่าความสุขอะไรความสุขที่เกิดจากความไม่มีโรคเป็นต้นนั่นเองความสุขที่เกิดจากความไม่มีโรคความสุขที่เกิดจากความไม่เบียดเบียนความสุขที่เกิดจากไม่มีเวร ความสุขทั้งทางกายและก็ทางทางใจนะประรบความสุขเหล่านี้มากๆให้กับตัวเองมากๆนแล้วก็ทำยังไงความที่เรามีเมตตาต่อตัวเองอย่างนั้นจะได้เจริญไปหาคนอื่นได้แต่คนอื่นเขาบอกว่าชั้นต้นไม่ให้เจริญไปหาใครก่อนศัตรูคู่เวรเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปเจริญให้เพราะว่า เมตตาไม่สามารถที่จะเกิดได้นะแรกแรกเลยไม่สามารถที่จะเกิดได้กับคนที่เป็นศัตรูคู่เวรหรือคนที่เป็นคนที่เราไม่รักไม่ชอบเลยเนี่ยนะไปนึกเจริญเมตตาให้เขาก่อนเมตตก็ไม่ไม่เกิดเพราะฉะนั้นให้เจริญไปหาคนที่เราเคารพเราเรานับถือเขาอ่ะนะเราเคารพเรานับถือเนี่ยนะก็เจริญให้บุคคลเหล่านั้นก่อนเสร็จแล้วเจริญให้แก่ใครต่อไป เจริญให้เพื่อนนะให้เพื่อนที่เรารักเราชอบใจเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เจริญให้แกใครอีกนะคนธรรมดาทั่วไปออแสดงว่าเจริญไปนะเจริญให้คนธรรมดาเสร็จเจริญให้ใครอีกคนที่มีเวรทีนี้พอเจริญไปเมื่อไหร่มันสะดุดทุกทีจะว่าไงนะีก็คือหันมาพิจารณาโทษของโทสะการพิจารณาโทษของโทสะในชั้นแรกเลยก็คือให้เอา ระลึกนึกถึงพระสูตรก่อนใช่ัหมเพราะว่าเราเจริญเมตตาเป็นต้นก็เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเพรา ะ, ะน่้นเราก็ต้องมาระลึกนึกถึงโอวาทของพระองค์ว่าเออถ้าหากว่าปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปกับโทสะปล่อยใจให้เป็นบาปเป็นไปกับอกุศลอย่างนี้พระองค์ตาหนิว่ายอย่างไรบ้างนะพระองค์ก็บอกว่าคนที่โกรธนั้น ก็เป็นเหตุให้ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตนรกได้คัดเอาข้อความมาจากอังคุตระนิกายจตุการนิบาตหรือว่าในอิติวุตกะอ่านสูตรย่อก่อนว่านะถ้าหากว่าเวลาเจริญเมตตาแล้วก็โทสะก็ยังได้ช่องโกรธตังหิตตังหิตอยู่นั่นแหละองค์ก็บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายไม้ฟืนสำหรับเผาศพที่ปลายทั้งสองถูกไฟไหม้ตรงกลางเปื้อนคูด จะใช้เพื่อเป็นเครื่องไม้ในเรือนก็ไม่ได้จะใช้เพื่อเป็นเครื่องไม้ในป่านะยกตัวอย่างเช่นเอาไปทําเป็นรั้วก้านเขตแดนก็ไม่ได้ฉันใดดูความพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวถึงบุรุษบุคคลผู้นี้ว่ามีอุ ป, ปมาฉันนั้นเหมือนกันนะขณะที่โทสะเกิดขึ้นแล้วประโยชน์ไม่ได้มีแม้แต่อย่างเดียวเลยเราะนั้นข้อความนี้อย่างเช่นใน พุทธากาลนิกายอิติวุตกะชีวิตสุตรนะกล่าวถึงก้อนข้าของชาวแวนแคว้นเห น, นั้นนี่เป็นอุบายอย่างหนึ่งเป็นพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเป็นวินัยเพื่อกำจัดโทสะนะฟังสูตรนี้เมื่อไหรก็สะเทือนใจทุกทีเลยพระ อ, องค์ตรัสว่าดูกอรพิสูจน์ทั้งหลายความเป็นอยู่เพราะการแสวงหาก้อนข้าวนี้เป็นกรรมที่ลามมกของผู้เป็นอยู่ทั้งหลาย ก็บอกว่าไอ้การขอทานเนี่ยนะการขอทานกินเนี่ยนะเชื่อว่าเป็นการการเป็นอยู่ที่เลวทรามที่สุดเพางั้นเด็กเป็นอาชีพที่ต่ําที่สุดในบนรรดาอาชีพทุกอาชีพคือขอเขากินนะเรียกว่าขอทานเนี่ยนะสำนวนเรานะบุคคลผู้ด่าย่อมด่าว่าผู้นี้มีบาทในมือย่อมเที่ยวสแสวงหาก้อนข้าวในโลกก็คือไอ้นี้มีกลาในมือมเที่ยวขอเขากินเน่ยนะเป็นสำนว น, นทั่วไปที่เขาตําหนิเตะเตียนมาก ดูการพิสูจทั้งหลายก็กูลบุตรทั้งหลายเป็นผู้เป็นไปในอำนาจแห่งเหตุอาศัยอำนาจแห่งเหตุคือหมายความว่าที่มาบวชนี้มีเหตุมีปัจจัยนะจึงได้มาบวชเพราะไม่ได้ถูกพระราชาทรงให้นําไปจองจําไว้เลยไม่ได้ถูกพวกโจนี่นําไปกักขังไว้ไม่ได้เป็นนี่ที่บวชก็ไม่ได้เป็นนี่นะไม่ได้ตกอยู่ในภัย เป็นผู้มีความเป็นอยู่เป็นปกติก็เหมือนคนธรรมดานั่นแหละย่อมเข้าถึงความเป็นอยู่ด้วยการแสวงหาก้อนข้าวนั้นด้วยคิดว่านะคือที่จะต้องมาเที่ยวบินทบาตเป็นอยู่นี้เพราะมีความคิดพื้นฐานเดิมอยู่ว่าแม้พวกเราแลเป็นผู้ถูกชาติชรามรณะโสกปริเทวทุกขโทมนัตอุปายาตครอบงมแลว้ว ถูกทุกติดตามแล้วถูกทุกครอบงามแล้วแม้ฉไหนะการกระทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏนะหมายความว่าถูกชาติชาราพยาที่เล่นงานว่า ง, งั้นเถอะชีวิตยังเป็นไปอยู่ในวะะัฏฏะทำยังไงเนาะจึงจะได้สิ้นวัตะทุกเหล่านี้ได้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายก็กุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้ เป็นผู้มีอภิชามากนะปล่อยใจไปกับโลภะมอกว่างั้นเถอะมีความกำหนัดอันแรงกล้าในกามทั้งหลายปล่อยใจให้มกมุ่นนึกถึงรูปนึกถึงเสียงนึกถึงกลิ่นนึกถึงรสนึกถึงโพธาด้วยใจที่เป็นโลภะนี่แหะมีจิตพยาบาทมีความดําริแห่งใจชั่วร้ายมีสติหลงลืมนะหลงลืมสติ ไม่รู้สึกตัวคือไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสัมปสติสัมปชัญญะก็คือไม่มีสติสัมปชัญญะในที่เจ็ดแห่งไม่มีสติสัมปชัญญะในขณะไหนบ้างหนในขณะจะไปจะมาไม่มีสัมปชัญญะสี่เลยขณะที่แลเหลียวเหลียวซ้ายแลขวาเหลียวไปทําไมไม่มีสัมปชัญญะสี่เลยเวลาจะคูเวลาจะเหยียดก็ไม่มีสัมปชัญญะสี่เลยนะเวลาจะทําในจะนุ่งจะห่ม จะนุ่งจะหม่มเกี่ยวกับเรื่องผ้าเป็นต้นก็ไม่มีสติสัมปชัญญะทั้งสี่เลยเวลาจะกินจะดื่มจะเคี้ยวจะลิ้มนะก็ไม่มีสติสัมปชัญญะเลยนะเวลาจะเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นต้นก็ไม่มีสติสัมปชัญญะเลยเวลาหลับเวลาตื่นเวลานิ่งยืนเดินนั่งนอนทั่วไปก็ไม่มีสติสัมปชัญญะอย่างนี้นะแล้วก็มีจิตไม่ตั้งมั่นก็คือปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน มีจิตหมุนไปผิดก็คือมีจิตเป็นไปกับโลภะโทสะโมหะไม่สำรวมอินทรียนะ์ปล่อยตาคำว่าปล่อยตาก็คือหมายถึงชวนะที่เป็นไปกับตาเป็นอากุศลนะปล่อยหูก็ชวนะที่ได้ยินเป็นอากุศลนะทั้งหายใจก็เหมือนกันนั่นแหละเรากล่าวบุคคลนี้ว่ามีอุปมาเหมือนดุนฟืนในที่เผาผี มันในที่เผาศพนะที่ไฟติดทั่วแล้วทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนโคดเปื้อนอุจระงั้นจะใช้เป็นประโยชน์เป็นฟืนในบ้านในป่าก็ไม่สำเร็จฉะนั้ น, นทำไมจึงว่าเสื่อมขนาดนั้นใช่ไหมสองข้างเนี่ยหัวท้ายเนี่ยถูกไฟไหม้ตรงกลางเปื้อนอุจระเนี่ยทำไมพระ อ, องค์จึงอุปมาเปรียบเทียบนักบวชที่ปล่อยใจเป็นไปกับบาปเนี่ย จึงเปรียบเทียบขนาดนั้นเพราะว่าบุคคล น, นี้เสื่อมแล้วจากโภค่าแห่งครือขัดใช่และไม่ยังผลแห่งความเป็นสัมมณะให้บริบูรณ์ได้สามัญญผลพรหมัญญผลคืออริยผลทั้งหลายก็ไม่บังเกิดใช่ไหมเมื่อไม่บังเกิดคือไม่สมควรแก่เหตุมันก็เรียกว่าประโยชน์ในโลกชาวบ้านทั่วไปประโยชน์ของเครือัดก็ไม่ได้ประโยชน์แห่งการบวชเข้ามาก็ไม่สาเร็จ เพราะฉะนั้นพระ อ, องค์ก็เลยตำหนิแรงมากว่าเหมือนกับดุนฟืนที่เผาศพในป่าช้าไปไหม้หัวท้ายตรงกลางเปื้อนอุจระโอ้าพระเป็นบาปเนี่ยนะแสดงว่าไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้มีส่วนชั่วเสื่อมแล้วจากโภคาแห่งเครือขัด ย่อมขจัดผลแห่งความเป็นสมณะให้กระจัดกระจายไปเหมือนดุนฟืนในที่เผาผีเชิบหายไปอยู่ฉะนั้นก้อนเหล็กร้อนเปรียบด้วยเปลวไฟอันบุคคลบริโภคแล้วยังจะดีกว่าบุคคลผู้ทุศีลไม่สำรวมพึงบริโภคพึงบริโภคก้อนข้าวของชาวแว่นแคว้นจะดีอะไรนะกินก้อนเหล็กแดงๆนะยังจะอัด ยังจะดีกว่าที่ว่าดีกว่าที่ทําไมจึงดีกว่าเพราะว่ากินก้อนเหล็กแดงๆนั้นไม่ได้เป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตในรกแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ไม่มีศีลนะก็เป็นเป็นอะไรบริโภคเป็นไยะบริโภคบริโภคอย่างโจรอย่างขโมยเป็นตัวนี้ก็เสียหายมากดงั้นอันนี้ก็นึกถึงสูตรนี้นะเออนี่ถ้าหากว่าเรามานั่งปล่อยใจให้เป็นโทสะเป็นบาปเป็นอกุศล เมตตาเป็นต้นไม่เกิดเนี่ยผมเสียหายขนาดนี้นะนะเพราะองค์นี่ตําหนิมากมายมหาศาลนะไปกินก้อนเหล็กแดงๆยังจะดีกว่านะตารบเรื่องอบายเรื่องนรกเรื่องอะไรเป็นต้นมันก็ตื่นตัวนะเพราะว่ามหาสังเวกขาวัตถุทําให้เกิดความเพียรทําให้เกิดความพยายามได้ว่ากลัวจะกลัวเสียหายก็ทําให้ตารบความเพียรมากขึ้นที่จะไม่ปล่อยใจให้เป็นไปกับบาปให้เป็นไปกับ อกุศลทู้การจะไปประยุกต์ใช้อ ย, ย่างไงฟังสูตรนี้แล้วก็ฟังสูตรนี้แล้วก็ไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีอ่านอ่านสูตรก่อนแล้วประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับที่ทุกพัฒนาใส่ของตนเองสังเกตตนเองนะครับนะครับเมื่อมีความโกรธขึ้นกับตัวเองนะ ม, นมันทําให้ตัวเองไม่สบายใจนานนะครับให้มันเผา ตนเองด้วย น, นะแล้วก็บางทีที่เราบุคคลที่เราโกรธ ด, ด้วยนะเขาไม่รู้อ๋อไรู้ตัวหรอกนะแต่เราเองอ่ยมันโกรธนานน ะ, ะเช่นเมื่อตอนที่มีลูกยังเล็กๆอยู่นะครับอนะลูกผันศนเราก็ใช้มือตีมังนะ่งอะไรเงี้ยก็ไม่ตีหนักหนาเลยแต่เด็กมันก็ร้องกลัวนะสักเดี๋ยวเด็กก็หยุด เราเนี่ยมันยังสงสารเด็กนะตีเด็กจุดเล่นตั้งนานเราเ ย, ยังไม่หา ย, ยังไม่หายนะว่าเราเนี่มันร้อนใจไม่น่าจะทำกับลูกเช่นนี้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่มีกับตนเองนะแต่คงจะมีวิธีอื่นอยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่าโทสะจะหมดแสดงว่าสิ่งที่ทำนี้ไม่ได้ทำด้วยกุศลนี่นะ ขณะที่ตีไม่ได้ตีด้วยกุศลเมื่อไม่ตีด้วยกุศลก็จะวิปปติสารลักษณะนี้แหละาการที่คนที่ทำอะไรด้วยโทสะไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะร้อนใจในภายหลังบาปอากุศลใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในใจนะถ้าหากว่าเรามองเห็นว่าบาปที่เกิดขึ้นในจิตเรานี่เหมือนกับการสูญเสียทรัพย์ ที่เราหวงแหนทนุถน้อมที่สุดเลยนะยกตัวอย่างเช่นเราไปที่ไหนแล้วเราเสียสตังเนี่ยนะสะตังนี่ค่อนข้างหวงกันนะกว่าจะหาได้อาบเหงื่อต่างน้ํากันเวลาเสียมากแล้วก็เสียไปในสิ่งที่ไม่ควรเสียด้วยเนี่ยนะวันนั้นเราจะทุกข์ที่สุดเลยยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่เล่นการพนันเนี่ยถ้าบอกว่าใครที่เสียการพนันเป็นต้นเนี่ยเขามีความทุกข์มากหรือไปถูกหลอกถูกลวงมาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะ สิ่งนั้นไม่ได้ของตอบแทนที่สมควรแก่การเสียนั้นไปคนที่มีความสำนึกใ น, ในกุศลจิตก็เหมือนกันถ้ามองว่าอากุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะสูญเสียขนาดไหนสูญเสียอริยทรัพย์ไปสูญเสียรัตนะอันประเสริฐไปเนี่ยจะทำให้เกิดวิปฏิศาลดือร้อนใจลักษณะ น, นั้นเดียวกัน กุศลจิตนี้พระผู้มีพระภาคอุปมาเหมือนกับรัตนะนะนะพระพุทธศาสนานั้นพระองค์อุปมาเหมือนกับทะเลทะเลมีอยู่ข้อหนึ่งว่าทะเลนี้ในทะเลเนี่ยมีรัตนะมากคือเพชรนินจินดาแก้วประพานต่างๆแก้วไพฑูรย์แก้วบุตรราคเมเป็นต้นเนี่ยมีอยู่ในทะเลเนี่ยเยอะในธรรมวินัยนี้ก็มีรัตนะ เป็นเครื่องใช้สอยของคนมีบุญเนี่ยนะมากรัตนะก็คือสติปทานสี่ก็เป็นรัตนะขณะที่โกรธนะรัตนะคือสติปทานเหลือไหมไม่เหลือนะนะสัมมปรปทานสี่ก็เป็นรัตนะขณะที่จิตเป็นบาปขณะนั้นรัตนะก็ไม่เกิดละเสียหายละสติปทานสี่สัมมปรปทาน 4, สี่อิทิบาสีอินรียห้าพละห้า 5, พชงเจ็ดแล้วก็ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดอริยมรรคแปดนั้นนะสงเคราะห์เป็นขันสามก็ได้แก่ศีลขันสมาธิขันและปัญญาขันอันขณะที่โกรธเนี่ยนะซับคือรัตนะเหล่านี้ก็เสียหายแล้วเมื่อไหร่นะเราจะเห็นว่าอากุศลเกิดขึ้นเนี่ยมันเสียหายอย่างนั้นแหละคนที่ตระหนักใน ความนึกคิดแบบนี้บ่อยๆคนนั้นสามารถที่จะประคองกุศลให้อย่างต่อเนื่องได้ <c oughs> แล้วนึกถึงพระ ส, สูตรทั่วไปด้วยนะพระ ส, สูตรนี้จะช่วยเหลือในการที่จะรักษาใจไม่ให้เป็นบาปนี้ได้อีกเยอะพอดี <c oughs> ได้ฟังพระ ส, สูตรเกี่ยวกับเรื่องของภิกษุแล้วก็เอาพระ ส, สูตรเกี่ยวกับเรื่องภิกษุมาว่าบ้างนะเพื่อที่จะสอนคนพูดนั่นแหละ ในกุหนาสูตรนะอิติวุตกะเหมือนกันพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายพิสูจเหลา่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้หลอกลวงมีใจกระด้างประจบประแจงประจบประแจงก็ประจบประแจงเครือหัดนั่นแหละประกอบด้วยกิเลสอันปรากฏดุดเขาเขาบอกว่ากิเลสนี่ปรากฏดุดดุดอะไร ดุดดอยสุเทพอ่ะนะดุดดอยอ่ะนะถ้าจำนวนแานเราเขบอกว่ามีกิเลสประดุดดอยอย่างนั้นเถอะมีกิเลสดุดไม้อ้อสูงขึ้นเคเห็นไม้อ้อไหมที่มันขึ้นเหมือนกับไม้อ้อกับป่าอ้อยก็คล้ายๆกันนั่นแหละมีใจไม่ตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ไม่นับถือเราตถาคตโอไม่นับถือพระตถาคตนะคนที่ปล่อยใจให้เป็นไปกับบาปเป็นไปกับกุศลนี้คนนั้นเนี่ย ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าจริงๆหรอกมีไหมพระพุทธเจ้าสอนให้ให้มีโลภะโทสะใจแบบเนี้ไม่มีทักอย่างหรอกนั้นขณะที่สภาพจิตเป็นไปแบบนั้นคนนั้นก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าภิกษุเหล่านั้นปราดไปแล้วจากธรรมะวินัยนี้<ฮ>คําว่าปราดเนี่ยนะวิคตาเนี่ยไปแล้วคือจากแล้ว ด, ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนภิกษุเหล่าใด เป็นผู้ไม่หลอกลวงไม่ประจบประแจงเป็นนักปราชมีใจไม่กระด้างมีใจตั้งมั่นดีภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้นับถือเราตถาคตไม่ปราดไปจากธรรมะวินัยนี้และย่อมถึงความเจริญงอกงามไพยบูรในธรรมะวินัยนี้นะฟังข้อความอันนี้แล้วก็ทาให้นึกถึงพุทธคุณบทหนึ่งว่าอารหังอรหังนี้แปล และความหมายตามนัยยะแห่งดีกาว่าเป็นผู้ไกลกับเป็นผู้ใกลนะ้คำว่าเป็นผู้ไกลก็คือไกลจากอาศัตรษทั้งหลายนะไกลจากอาศัตรุทุษคำว่าอาศัตรุทุษก็คือคนที่ไม่ได้อ บ, บรมกายไม่ได้อ บ, บรมศีลไม่ได้อ บ, บรมจิตไม่ได้อ บ, บรมปัญญา คือปล่อยกายปล่อยวาจาปล่อยจิตนี้ไม่ได้เป็นไปกับกุศลธรรมเลยเป็นคนที่มากไปด้วยโลภะโทสะโมหะมานะอิจฉามัจฉริยะนะแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีศรัทธาในกุศลธรรมไม่มีวิริยะในกุศลธรรมไม่มีสติไม่มีสมาธิเป็นต้นในกุศลธรรมผู้ที่ปฏิบัติผิดพลาดแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอน ไม่ได้รับการแนะนำในธรธ ร, รมวินัยของพระอริยะไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระอริยะพระองค์นี้ห่างไกลาจากคนเหล่านั้ น, นคําว่าอห่างอย่างหนึ่งก็คือไกลจากคนไม่ดีทั้งหลายอีกในย่าหนึ่งก็คือใกล้พระองค์ใกล้ต่อคนที่ได้อ บ, บรมกายอ บ, บรมศีลอ บ, บรมจิตและอ บ, บรมปัญญาเนี่ยนะก็สูตรนี้ก็ในย่าเดียวกันนั่นแหละ อันพระองค์นี้จะอยู่ใกล้ต่อพิสูจที่ไม่หลอกลวงพิสษุนที่ไม่ประจบประแจงพิสูจนที่เป็นนักปราชพิสูจน์ที่มีใจไม่กระด้างมีใจตั้งมั่นดีนะพิสูรูปนั้นใกล้ต่อพระพุทธเจ้าด้วยและพระพุทธเจ้าก็ใกล้ต่อภิสูจเหล่านั้นด้วยแล้วอรหังอีกความหมายหนึ่งมีความหมายว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ทอดทิ้งนะผู้รู้ทั้งหลายไม่ทอดทิ้ง ผู้รู้ทั้งหลายคือใครบ้างนะพระอารหันต์ทั้งหลายจะไม่ทิ้งพระพุทธเจ้าพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยนะจนถึงพระอนาคามีก็ไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้า <c oughs> กัลยาณพุทุชนคนดีทั้งหลายคือคนที่มีศรัทธามีศีลมีสุตตะเป็นต้นเนี่ยก็จะไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าก็ไม่ทอดทิ้งคนเหล่านั้นด้วย และพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าภิกษุเหล่าใดเป็นผู้หลอกลวงมีใจกระด้างประจบประแจงประกอบด้วยกิเลสอันปรากฏดุดเขาดุดดอยนะมีกิเลสดุดไม้อ้อสูงขึ้นมีใจไม่ตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่งอกงามในธรรมะอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ไม่หลอกลวงไม่ประจบประแจง เป็นนักปราบมีใจไม่กระด้างมีใจตั้งมั่นดีภิกษุเหล่านั้นแล้ย่อมงอกงามในธรรมะอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วแต่ว่าในอัตถกถาท่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของโทสะไวด้ดีนะบทว่าถัดทาความว่าเป็นผู้มีใจกระด้างนะเขาบอกว่ากระด้างเพราะเพราะอะไร เพราะโทสะและก็เพราะมานะเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปคําว่ากูหาได้แก่ผู้หลอกลวงด้วยเครื่องหลอกลวงมีการร่ายมนต์เป็นต้นอธิบายว่าเป็นผู้ทําการหลอกลวงเพื่อประกาศคุณความดีที่ตนไม่มีแล้วให้ผู้อื่นสนเท่ะนะกูหานา a เนี่ยก็คือก็คือกูหากูหาก็หลอกลวงจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนไม่มีศรัทธาอะไรหรอก แต่ก็บอกนะทําตัวให้คนมองว่าโอ้โหเป็นคนมีศรัทธาจริงๆเลยลักษณะนี้ก็หลอกลวงอย่างหนึ่งเป็นคนไม่มีศีลแต่ทําตัวเหมือนกับคนมีศีลเพื่อให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองมีศีลจริงๆแล้วไม่มีหรอกอันนี้ก็ลักษณะอันหนึ่งของการหลอกลวงตัวเองนี้ไม่มีสมาธิเป็นคนฟุ้งซ่านอะ่ะแต่ก็โหทำขลิมใครมองเห็นโอหเหมือนเข้าชานเป๊ะเลย ลักษณะนี้ก็อันหนึ่งในลักษณะของคนหลอกลวงวายส่วนคําว่ามีใจกระด้างนะเพราะโทสะหรือว่าเพราะมานะนี่คือเป็นผู้ไม่ทำความยำเกรงอย่างยิ่งในครูทั้งหลายผู้ควรทำความเคารพไม่อ่อนน้อมเที่ยวไปนะนะก็เป็นคนที่ไม่อ่อนน้อม เที่ยวไปเที่ยวมาก็เหมือนกลื่นซี่เหล็กเข้าไปแล้วก็ยืนแข็งทื่อฉะนั้นหมายความว่าสำนวนไทยๆเราก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักก้มเลยนะแต่ลักษณะนั้นแหละเห็นผู้หลักผู้ใหญ่เดินผ่านหน้าผ่านไปผ่านมาก็ไม่รู้จักอ่อนไม่รู้จักน้อมเหมนนแข็งทื่อเดินทื่อๆือๆไปเลยเพราะความโกรธนะที่พระองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่าคนมักโกรธ เป็นผู้มากไปเรื่อยความแค้นใจใจนี่มันแค้นอยู่เรื่อยนะถูกเขาว่าแม้นิดเดียวก็ค่้องใจโกรธพยาบาทแผ่อำนาจไปอย่างนี้นะแผ่ความโกรธออกไปนะแล้วแต่ว่าคนที่ขี้โกรธนั่นแหละเป็นคนมีบุญขนาดไหนถ้าเป็นคนมีบุญมากนะมียศมีตาแหน่งมีอะไรเนี่ยพูดไปทีเนี่ยโหคนเนี่ยอยากร้องไห้เลยนั่นแหละ คนอื่นเนี่ยซวยเป็นแถบๆเลยแต่ถ้าคนธรรมดาเด็กๆธรรมดาโกรธนะสมมติว่าเด็กที่เกิดสองวันสามวันร้องให้นะโกรธโทสะเนี่ยนะกับผู้ใหญ่มีโทสะเนี่ยนะไม่ต่างกันโดยโดยชวันนะแต่ว่าความที่วิบากและกรรมมชรูปอินทรีย์ถึงความแก่กล้าแลมันไปมีผลกับคนรอบข้างตามสมควรแก่วิบากและกรรมมชรูปนั้นๆ ถ้าวิบากกรรมชรูปเหล่านั้นเป็นคนที่มียศใหญ่ตำแหน่งสูงไปโด้เนี่ยถ้าโกรธทีหนึ่งนะก็จะกระเทือนถึงคนอื่นพอหมดเาะนั้นความโกรธเนี่ยมันแผ่อำนาจไปเพราะมันเหมือนกับไฟอยู่แล้วหรือทําว่าไอ้คนแข่งกระด้างเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่ว่ายากเหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสว่าคนว่ายากเป็นคนผู้ประกอบด้วยธรรมะที่ทาให้ว่ายากคนว่ายากก็คือ ไม่อดทนไม่รับอนุสาสนีด้วยความเคารพไม่รับโอวาท ด, ด้วยความเคารพคำว่าไม่โอวาท ด, ด้วยความเคารพก็คือไม่ตั้งใจฟังเป็นต้นนั่นเองเพราะความเมาความเมาก็คือเป็นชื่อของมานะนะออกเป็นความเมาในชาติเป็นต้นมัวเมาในชาติความมัวเมาในชาติก็คือเกี่ยวกับเรื่องมานะว่า มัวเมาในชาติมัวเมาในชาติก็คือเราเนี่ยตระกูลดีที่สุดล่ะคนอื่นตระกูลต่าหมดเลยอย่างเงี้ยมัวเมาในโคตรก็คือว่าไอ้สมัยถ้าอินเดียนะเขามีภาระทวาชโคตรกัสปะโคตรโคตมะโคตรอย่างเงี้ยอย่างพระพุทธเจ้านี่คือโคตมะโคตรโคตมะก็คือโคตรดวงอาทิตย์อ่ะตระกูลดวงอาทิตย์หรืออีกสำนวนหนึ่งก็ว่าอาทิตย์จะพันธุนาก็คือผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระุอาทิตย์ นั่นแหละเป็นวงของดวงอาทิตย์อ่ะนะก็เหมือนกับสุริยวงหรือจันทวงหรืออะไรเนี่ยตระกูลดวงจันทตระกูลดวงอาทิตย์อ่ะมันเป็นตระกูลเก่าตระกูลแก่อะไรที่เขาตั้งตั้งกันอ่ะนะลักษณะนี้แหละเป็นบางคนก็มี m a นะเพราะอาศัยโคตรเหล่านั้นนั่นแหละบางคนก็มัวเมาในเพศนะมัวเมาในความเป็นหญิงเป็นชายบางคนก็มัวเมาในความไม่มีโรคบางคนก็มัวเมาในความเป็นห่มเป็นสาว บางคนก็มวัวเมาในชีวิตอย่างเงี้ยพราะอพวกลักษณะนี้ก็คือเป็นคนที่มีใจกระด้างนั่นเองใจกระด้างแบบนี้ก็อยู่ไกลพระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าและอีกอย่างหนึ่งบอกว่าเป็นผู้ที่ประกอบด้วยกิเลสประดุดเขาคําว่าเขาในที่นี้ไม่ใช่ภูเขาหรอกนะเป็นชื่อของเขาสัตว์เหมือนกับเขาสัตว์อะ เขาบอกว่าคนที่มีวาจาเหมือนกับเขาสัตว์นี่เป็นยังไงก็คือการพูดมีแง่มีงอนอะ่ะภาวะที่พูดมีแง่งอนอ่ะเป็นยังไงก็บอกว่าการพูดเป็นสี่เหลี่ยมสี่คมนั่นแหละ <c oughs> กิริยาที่พูดเป็นสี่เหลี่ยมสี่คมอ่ะนะการพูดมีเหลี่ยมมีครูอะ่ะเรียกว่าเทคนิคชั้นเชิงสูงเหลือเกินอะ่ะ เพื <Es> ่ออะไรเพื <tongue> ่อหลอกลวงภาวะที <Yeah. S 1> ่พูดมีเหลี่ยมมีครูอันใดนี้เรียกว่าคําพูดดุดเขาคําพูดดุดเขาก็คือคําพูดที่เพื่อหลอกลวงคนนั่นเองกบอกว่าเหมือนกับเขาสัตว์อนะมีแง่นะถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บเขาพูดมาอีอย่างหนึ่งเราจะสวนไปทางเนี้พูดเหมือนกับเรียกว่ามีดบางอย่างนี่มันมีหลายคมใช่ไหม เรียก ว, ว่าแทงทางนี้ก็เข้าคมนี้เข้าเข้าหลายๆคมเลยเหมือนไอ้พวกปูชาบเนี่ยแทงเข้าแล้วมันจะสามค ม, มนี่เย็บยากทะว่งั้นพวกที่คําพูดลักษณะนี้ก็เหมือนการใช้คําอย่างนี้เสร็จแล้วเขาก็ตอบมาอย่างนี้เราก็จะสวนไปอย่างนี้นะกลายเป็นคําพูดที่นักพูดส่วนใหญ่นะที่ก่อการทะเลาะก่อการวิว่าจะนิยมนะซึ่งเป็นคําพูดของอานารยะชนนะคนไม่เจริญอ่ะเขาชอบพูดกันแบบนั้นแหละนะแต่คนเจริญเขาไม่พูด พเพราะไรเพราะจิตใจที่ที่พูดนะนะที่ทําจิตตชาวายโยธาเกี่ยวกับการพูดเนี่ยไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลใช่ไหมเมื่อไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยถึงคือเรียกว่าคําพูดที่เหมือนกับมีดโกนอาบน้ําผึ้งหรือว่าเชือดนิ่มๆ น, นะนะสรุปแล้วถึงจะพูดด้วยวาจาชนิดใดก็ตามแต่จิตที่พูดไม่ใช่เมตตาแน่นอนนะถ้าจิตที่เป็นเมตตาจะไม่พูดให้เขาเจ็บ จะไม่พูดให้เขาทุกข์ใจเลยะจะเป็นคำพูดอีกอย่างหนึ่งซึ่งคำพูดนั้นน่ะเป็นไปเพื่อการแก้ไขคำพูดที่เป็นไปเพื่อการแก้ไขก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นการแก้ไขปัญหาทุกอย่างเลยคำว่าณเมเตพิฆเวพิขุมามากาภิษุ ของเราตถาคตเหล่านั้นไม่ใช่เป็นคนของเราตถาคตก็คือแปลว่าภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ที่ไม่นับถือตถาคตเนี่ยนะคนที่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าไปเมื่อกี้นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคําว่าไมหังของเราตถาคตนี้เพราะภิกษุเหล่านั้นบวชอุทิศตถาคตทีแรกเนี่ยไอ้ที่บวชบวชก็เพราะนับถือพระพุทธเจ้าใช่ไหมถึงกลับมาบวช แต่เพราะเหตุที่ภิกษุเหล่านั้นไม่ปฏิบัติชอบโดยประกอบการหลอกลวงเป็นต้นฉะนั้นพระองค์จึงไม่ตรัสเรียกว่ามามกะพุทธามามากะก็คือคนที่นับถือพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ามามากะก็คือไม่ใช่คนของพระตถาคตไม่ใช่คนที่นับถือพระตถาคตบทว่าอปปัคตาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงว่าถึงแม้ว่า ภิกษุเหล่านั้นบวชแล้วในศาสนาของเราตถาคตแต่เพราะไม่ปฏิบัติตามที่เราตถาคตสอนจึงเข้ากลับไปแล้วจากพระธรรมวินัยนี้นั่นเองนะเขบอกว่าวิธีจากผู้ศาสนานี่จากง่ายนี่เดียวเลยนะทาจิตให้เป็นบาปซะนั่นแหละห่างจากคำสอนแล้วแค่นั้นเนะี่ยโอเสื่อมง่ายจริงๆเลยนะเสื่อมเขาบอกว่า การเสื่อมจากก็ทำคําสอนก็คือเมื่อเราทั้งหลายเสื่อมจากกุศ ล, ลธรรมคือพิสูจน์เหล่านั้นชื่อว่าอยู่ไกลแสนไกลจากศาสนานี้สมดังที่พระองค์ตรัสว่าท้องฟ้ากับพื้นปฐพีนะนักปราชญ์กล่าวว่าอยู่ห่างไกลกันนะท้องฟ้ากับแผ่นดินนี่ห่างนะและฝั่งมหาสมุทรนะทั้งสองข้างนักปราชญ์ ก็กล่าวว่าอยู่ไกลกันข้าแต่พระราชาแต่ธรรมะของสัตบุรุษกับของอสศัตบุรุษนักปราชญ์กล่าวว่าไกล ย, ยิ่งกว่านั้นเะอีกนะขณะที่บาปอากุศลเกิดขึ้นโทสะเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นขณะนั้นก็เป็นธรรมะของอสัตบุรุษไกลจากธรรมะของสัตบุรุษธรรมะของสัตบุรุษคือโพธิปัคิยธรรมนะ โพธิปักธิยธรรมนั้นเป็นธรรมะของสัตจุรุตคําคว่าโพธิปักธิยธรรมได้แก่ธรรมะที่อยู่ในฝักฝายแห่งอริยมรรคเนะนะธรรมะที่อยู่ในฝักฝายแห่งธรรมะเป็นเครื่องปรัสรู้ได้แก่นะได้ยินเชื่อบ่อยนะโพธิปักธิยธรรมอันหนึง่งกลุ่มที่หนึ่งว่าคือสติปฐานสกลุ่มที่สองสัมมาปทานสกลุ่มที่สามอิทธิบาทสกลุ่มที่สี่ อินสีห้ากลุ่มที่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดอริยมรตอันประกอบด้วยองค์แปดนะขณะที่โทสะเกิดเนี่ยห่างนะหาน่หางจากโพธิปัฏฐิธรรมนั้นน่ะเพราะว่านักปราชญ์กล่าวว่าไกลกันยิ่งกว่านั้นเสดเนี่ยธรรมะของคนดีกับคนชั่วนี่ห่างกันจริงๆเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เมื่อปล่อยใจให้เป็นไปกับบาปเป็นไปกับอกุศลก็ชื่อว่าเป็นคนห่าง พระธรรมคำสอนะห่างภาษาศาสนาและห่างจากธรรมวินัยนี้แล้วบทว่าวุฒิิงวิรุลวิรุหิงเวปุลังอาปัชติความว่าและภิกษุเหล่านั้นผู้มีสภาพหลอกลวงเป็นต้นนะก็คือผู้ที่มีสภาพหลอกลวงมีใจกระด้างประจบประแจงประกอบด้วยกิเลสประดุดเขา มีกิเลสดุดไม้อ้อสูงขึ้นมีใจไม่ตั้งมั่นเนี่ยนะจะไม่เข้าถึงอธิบายว่าจะไม่ประสบซึ่งความเจริญตามอำนาจของคุณความเจริญด้วยคุณความดีมีศีลเป็นต้นนะถ้ามีคุณสมบัติในลักษณะนั้นก็ไม่เจริญด้วยศีลนะถ้าศีลก็จะต่อด้วยอะไรอีกศีลวิสุทธิก็ต้องต่อด้วยจิตตาวิสุทธิใช่ไห เมื่อสีลวิสุทธิไม่เกิดจิตตาวิสุทธิก็ไม่เกิดเมื่อจิตตวิสุทธิไม่เกิดทิฏฐิวิสุทธิยากเลยนะที่จะมาโอ้เป็นรูปเป็นนามเป็นขันเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นสัตว์จะเป็นอินทรีย์เนี่ยยากหละนะถ้าหากว่าเรื่องขันธาตุอายตนะอ่อนกรรมและผลของกรรมก็จะอ่อนด้วยนะกรรมสกตาเพราะกรรมสกตาถ้าคนที่เข้าใจจริงๆก็จะเป็นเป็นอะไรรู้ไหมเป็นกลางขาววิตรณวิสุทธินะ กรรมมสกตารนั้นอยู่ในวิสุทธิข้อเอาแบบสมบูรณ์หน่อยนะอยู่ในกังขาวิตรณวิสุทธินะเรื่องกรรมเนี่ยเราจะรู้กรรมอย่างละเอียดได้ถ้ากังขาวิตรณวิสุทธิแล้วมคามคขายานทัศน์วิสุทธิก็อ่อ น, นะเรื่องวิปัสณูปะกิเลสนี่ไม่ต้องห่วงเราไม่เกิดแน่นอนถ้าวิปัสณูปะกิเลสไม่เกิดเนี่ยนะมขาปฏิปทายานทัศน์วิสุทธิก็จะไม่เกิดละ เรียกว่าวิปั ส, สนาที่มีกําลังก็ไม่เกิดเมื่อวิปั ส, สนาเหล่านั้นที่มีกําลังไม่เกิดญาณทัศนวิสุทธิคืออริยมรรคก็ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็เสื่อมแน่นะเพราะว่าจะเป็นผู้ที่งอกงามในศีลเป็นต้นก็จะไม่ใช่ใช่ไหมซึ่งความงอกงามตามสภาพด้วยความไม่หวั่นไหวอยู่ในคุณความดีมีศีลเป็นต้นซึ่งความภัยบุ์ด้วยความบริบูรณ์ด้วยธรรมขันมีศีลเป็นต้น โดยความแผลไปในที่ทุกแห่งนะส่วนพิสูจนที่ปฏิบัติตรงนันข้ามที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ชื่อว่าเป็นคนของพระองค์เป็นผู้ที่ปฏิบัติตามพระองค์และก็จะเจริญงอกงามตามคำสอนของพระองค์และเรื่องของการเจริญเมตตาหรือพรหมหารจริงๆก็อยู่ใน อนนอยู่ในวิตกเหมือนกันเขาเรียกว่าวิตกไหนวิตกมีสามนะกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันนี้เป็นอกุศลวิตกนะสามถ้าเป็นกุศลวิตกก็มีสามนะเนี่ยขมวิตกอพยาปาท่าวิตกและวิหิงสาวิตกกามวิตกนั้นเป็นชื่อของวิตกที่เกิดร่วมกับโลภะนะวิหิงสาวิตกก็เป็นวิตกที่เกิดร่วมกับ โทสะพยาปาธาวิตกก็เป็นวิตกที่เกิดร่วมกับโทสะเหมือนกันเนคขมวิตกนั้นเป็นเนคขมาวิตกซึ่งเกิดร่วมกับกุศลธรรมทั้งหลายนะกุศลธรรม ท, ทั้งหมดชื่อว่าเนคขมมดและก็โดยเฉพาะอสุภากา ร, รมฐานก็ชื่อว่าเนคขมมดด้วยเนคขมาวิตกส่วนอัพยาปาทวิตกก็คือวิตกที่เกิดร่วมกับเมตตา วิหิงสาวิตกก็ชื่อเป็นชื่อของวิตกที่เกิดร่วมกับกรุณา เ, เกิดร่วมกับกรุณาเขาบอกว่าคนที่พยาบาทนั้นขาดเมตตาคนที่วิหิงสาคนที่พยาบาทขาดเมตตาคนที่มีวิหิงสาขาดการุณานะและพระองค์ตรัสไว้ในจระสรอิติวุติกะว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าแม้การมวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตก ก็คือจิตใจเนี่ยเป็นไปกับโลภะโทสะนะย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เดินไปอยู่หากว่าภิกษุย่อมเอ่ยอมรับการมวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกนั้นไว้ไม่ละเสียไม่บันเทานะไม่ทําให้สิ้นสุดเสียไม่ทําให้ถึงความไม่มีไซภิกษุแม้เที่ยวไปอยู่อย่างนี้แล้วนะเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีความเพีย ไม่มีโอตา ป, ปะเกียร์คร้านมีความเพียนเลวตลอดการเป็นนิดเนี่ยนะก็คือถ้าปล่อยใจให้เป็นไปกับโลภะโทสะเนี่ยนะขณะที่เดินไปเดินแล้วโทสะเกิดปึ๊บนึกถึงคนที่เราโกรธใช่ไหมขณะที่นึกถึงเว็บไปเนี่ยอันนี้เรียกว่าพยาบาทพี่ตงนะเสร็จแล้วไม่มันน่าโกรธจริงๆเสร็จแล้วก็หาเรื่องโกรธต่อไปอีกอันลักษณะนี้เรียกว่ารับเอาไว้นี วิตกเกิดขึ้นมาปั๊บส่งเสริมไอไอวิตกอันนั้นมากๆหรืออยู่ๆงี้นึกจะฆ่าคนวางแผนฆ่าไปใหญ่โตเลยเนี่ยเรียกว่าเป็นประเภทวิหิงสาวิตกอันถ้าปล่อยให้วิตกเหล่านี้เนี่ยนะเกิดขึ้นทั้งทั้งกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกในขณะที่ยืนอยู่อย่างนี้หรือขณะที่เดินขณะที่นั่งขณะที่นอนเนี่ยนะทั้งสี่อิริยาบดเลยนะถ้าปล่อยใจให้เป็นไปกับอาคุศลวิตกอย่างนี้เรียกว่า ผู้ไม่มีความเพียร น, นะความเพียรเป็นชื่อของสมัประธานสี่นะสมัประธานสีก็เป็นเป็นอยู่ในรัตนะด้วยเนาะเป็นทั้งโพธิปัจฉิยธรรมเป็นธรรมะที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้สมัประธานสี่ข้อหนึ่งว่าไงเพียรพยายามเพื่อเพื่อละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วนะ คนขยันจริงๆก็คือขยันละใจที่เป็นบาปนั่นแหละไม่ใช่ขยันอย่างอื่นแต่ขยันอย่างอื่นก็ดีด้วยนะถ้าไปประกอบการทรมาหากินนี่ก็เจ๋ละแต่ว่าขยันในคำสอนในที่นี้ก็คือขยันทำยังไงใจไม่เป็นบาป <S <S ข้อหนึ่งนะเพียรละบาปอากุศลที่เกิดขึ้นและข้อสอง <S <S เพียรเพื่อสังวรสมรวมระวังไม่ให้บาปอากุศลนั้นเกิดขึ้น เพียนพยายามเอ๊ะแปล ว, ว่าจะปิดช่องยังไงไม่ให้อาคุศลมันจะเกิดอีกแล้วต่อไปเพียรเจริญกุศลแล้วก็สุดท้ายเพียนรักพกอกคูนกุศลนอนั้นน่ะอันมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอ่าลักษณะนี้เรียกว่าเป็นคนมีความเพียนแต่ถ้าหากว่าไม่ไม่เด็เป็นไปอย่างนี้เราปล่อยให้โลพาโทสะโมหะปล่อยให้การวิตกพยาบาทวิตกมีเหิงสาวิตกเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าคนเกียร์คร้านไม่มีโอตตะปะ ไม่มีโอตปะก็คือแสดงว่าไม่มีความเกรงกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตไม่ได้อย่างถึงว่าเออทุจริตเหล่านี้มีผลนะนะผลของทุจริตเหล่านี้เนี่ยที่จะให้ผลให้เกิดความทุกข์ต่างๆมากมายเนี่ยคนที่ปล่อยใจเป็นไปลักษณะนั้นก็เป็นคนที่ไม่มีโอตปะเป็นคนเกลียดคร้านหีนวิรโยเนี่ยบอกมีความเพียรเลวทามว่ากั้น เรียกว่าขยันในเรื่องที่ไม่ควรขยันนั่นเองนะทั้งทั้งสี่อิริยาบทเลยนะถ้าปล่อยใจให้เป็นไปกับอกุศลวิตกดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้กามวิตกพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เที่ยวไปอยู่หากว่าภิกษุย่อมไม่รับเอาการมวิตกพยาบาทวิตกแล้วก็วิหิงสาวิตกนั้นไว ละเสียบรรเทาทำให้สิ้นสุดเสียให้ถึงความไม่มีไซสุสแม้พิสุเที่ยวไปอยู่อย่างนี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้มีความเพียรมีโอต ป, ปะปรารบความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวตลอดการเป็นนิสนะทุกอิริยาบถเลยนะทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งและนอนไม่ปล่อยใจให้เป็นไปกับอากุศลวิตกเวลาอากุศลวิตกเกิดขึ้นก็เพียรพยายามที่จะกาจัดออกไป ภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่ย่อมตรึกถึงวิตกอันลามก อ, า อ, อันอาศัยแล้วซึ่งเรือนไซคำ ว, ว่าวิตกอาศัยเรือนก็คือวิตกที่อาศัยภาพอาศัยสีวิตกอาศัยเสียงวิตกอาศัยกลิน่นวิตกอาศัยรถวิตกอาศัยโพธภาษนี่นะภิกษุนั้นชื่อว่าดำเนินไปตามทางผิด หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเพราะว่าในขณะที่จใจประกอบกับโลภะขณะนั้นเห็นอริยสัจไหมไม่เห็นนะโทสะเกิดเห็นอริยสัจไหมไม่เห็นนะนะโลภะโทสะโมหะเกิดไม่เห็นอริยสัจขณะนั้นก็หลงแล้วภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสัมโภธิยานอันสูงสุดนะไม่ควรเพื่อที่จะให้อริยมรรคเกิดขึ้น ภิกษุใดเที่ยวไปอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่หรือนอนอยู่สงบระ ง, งับวิตกได้แล้วยินดีในธรรมะเป็นที่สงบวิตกภิกษุเช่นนั้นเป็นผู้ควรเพื่อจะถูกต้องซึ่งสำโพธิยานอันสูงสุดนะถ้าหากว่าปล่อยใจให้เป็นไปกับกุศลได้มากเมื่อทำยังไงกุศลละจิตจะเกิดได้บ่อยๆนั่นแหละเป็นเป็นข้อปฏิบททัติที่ถูกต้องแล้วละ่ะ เพื่อนฝูงบอกว่าจะเป็นคนที่ไม่โกรธนะจะเป็นคนไม่โกรธใครจะทำยังไงนะให้เท่าไหร่ก็ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธแต่ตัวเองจะมีลิมิตของตัวเองพอถึงขีดขีดหนึ่งซึ่งสู้สึกว่าตัวเองให้อภัยไม่ได้แล้วนะคะซึ่งในโลกนี้ก็มีอยู่ประมาณอยู่คนสองคนแต่ยังเป็นมีตัวตนจริงๆตัวเองจะตัดตัดความรู้สึกแล้จะเฉยเฉยแล้วทีนี้พอเฉยแล้วเนี่ยพอเวลาไปพูดคือก็สามารถที่จะพูดด้วย แต่รู้สึกจริงๆแล้ววิเคราะห์จิตตัวเองแล้วนี่คือตัวเองไม่ได้ไม่สามารถให้อภัยได้รู้สึกเป็นความเฉยที่มีความที่มีความบาปอยู่ในตัวถามว่าจริงๆเราเอาัยให้เขาได้ไหมจริงๆเราเมตตาเขาด้วยความจริงใจไหมบางครั้งมันเหมือนกับเป็นฝืนซึ่งอันนี้มันบางครั้งยังคิดว่า สิ่งที่ตัวเองที่สุดคือลับไม่ได้คืออภัยนี่ยากยิ่งเหลือเกินที่เราจะ อ, อภัยได้ก็พยายามมานั่งจะนั่งฟังเนี่ยว่าพยายามอันไหนบ้างที่พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ตรงจุดนี้ให้ได้ถามว่าพูดไม่พูดก็ตัวเองก็ยอมพูดพูดแต่จริงๆแล้วถ้ามาถามตัวเองจริงๆโดยไม่โกหกนะด้วยความจริงใจแล้วคือจริงๆแนละคือฝืนไม่ได้อภัยให้เขาอย่างแท้จริงตรงจุดนั้นนะะ คนที่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนเดียวนะนั่นแหละคนลักษณะนี้ค่อนข้างกับเยอะยะที่ที่มันเป็นลักษณะนั้นนี่เพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นโทษของอกุศลจริงๆหรือว่าเขาทำให้เราโกรธจริงๆอ่ะมันน่าโกรธจริงๆหรือว่าก็ยินดีในความโกรธแต่ก็ยังว่านะการศึกษาพระธรรมคาสอนนั้นก็จะเป็นอุบายจนกว่าเราจะเห็นโทษของความโกรธจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเรารู้จัก ว่าเออเราให้อาภาัยแล้วเสร็จแล้วก็จะไปเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเอางั้นไหมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่ได้ปแปล ว, ว่าเราเมื่อเมื่อไม่โกรธเขาแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ต้องไปไปมีความรู้สึกเหมือนเดิมไปหมดก็ไม่ใช่เลยเพราะว่าการเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปแล้ว<ม>พระผู้มีพระภาคก็ทรงแนะนำวิธีอยู่นะอย่างในชคุดชิตับพสูตรนะอังคุตรนิกายติการนิบาศ กล่าวถึงคนที่ควรครบและไม่ควรครบนะก็ไม่ใช่มีเมตตาแล้วก็ไปไปคบดักไปหมดก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลายบุคคลสามนี้มีอยู่ในโลกบุคคลสามคือใครคือบุคคลที่ควรเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปใกล้กมีนะรังเกียจได้เลยอย่างนั้นเลยเป็นคนที่ควรรังเกียจ บุคคลที่ควรใช้เฉยเสียไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้ก็มี่คําว่าเสพกับคบนี่อันเดียวความหมายอันเดียวกันนะอย่าไปคิดมากบุคคลที่ควรเสพควรคบควรเข้าใกล้ก็มีนะแบ่งคนเป็นสามประเภทนะนะคนที่หนึ่งห่างไว้ดีคนที่สองควรเฉยคนที่สามควรเกี่ยวข้องบุคคลที่ควรเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าใกล้เป็นอย่างไร บุคคลลางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีนมีธรรมะอันลามกมีการกระทาไม่สะอาดมีความประพฤติหน้ารังเกียจมีการงานอันปกปิดนะถ้าเป็นภิสูุก็บอกว่าไม่เป็นสมณะแต่ปฏิญาณว่าเป็นสมณะนนนะในลักษณะแวดวงของพระนะแวดวงของโยมก็ไปพิจารณาเอาคนคล้ายๆแบบนี้ก็แล้วกันไม่เป็นพรหมจรรแต่ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจรร ที่จริงก็ไามา่ได้เป็นภิกษุอะไรหรอกเป็นคนเน่าในเปียกชื้นรกเรือ้อด้วยกิเลสโทษบุคคลเช่นนี้ควรเกลียดไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้นะก็คือไม่ควรครบกับคนไม่มีศีลว่างั้นเถอะนั่นเพราะเหตุอะไรเพราะถึงแม้ผู้คบจะไม่เอาเยี่ยงบุคคลชนิดนั้น แต่ก็จะมีกิติศัพท์อันเลวฟุ้งไปว่าเป็นคนมีมิรชั่วมีสหายเลวมีเพื่อนสามงนั้นแท้ว่าไงถึงตัวเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกใช่ไหมแต่ก็ชื่อเสียงเสียหายงูที่จมคูดย่อมไม่กัดก็จริงอยู่ถึงกระนั้นมันก็จะทำให้ผู้จับเนี่ยเปื้อนชันใดก็ดีถึงแม้ผู้คบจะไม่เอาเยี่ยงของบุคคลชนิดนั้น แต่ก็จะมีกิติศัพท์อันเลวฟุ้งไปว่าเป็นคนมีมิจชั่วมีสหายเลวมีเพื่อนซามฉะนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้นบุคคลเช่นนั้นจึงควรเปลียดไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าไปใกล้นะคนไม่ดีเนี่ยพระองค์ไม่ไม่ให้คบไม่ให้เกี่ยวข้องเลยนะซึ่งมีความสำคัญมากว่าการที่จะเจริญงอกงามในคำสอนได้เนี่ยจะต้องรู้จักรสนะ รู้จักลักษณะของคนพาลแล้วก็สา ม, มารถที่จะรู้จักลักษณะของบัณฑิตจะต้องรู้จักลักษณะคนนะจึงจะสา ม, มารถเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องถ้าไม่รู้จักลักษณะคนนะมงคลสามสิบแปดเนี่ยนะข้อหนึ่งข้อสองสอบตกแล้วไม่ต้องพูดถึงข้อสามสิบสี่นะข้อสามสิบสี่สามสิบห้าก็เกี่ยวกับการรู้อริยสัจเนี่ยนะเอกเรื่องอริยสัจที่เราศึกษากันลึกซึ้งเนี่ยนะเรื่องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่อยู่มงคลสามสิบห้าสาสิบสี่ไปแล้ว นะมงคลข้อหนึ่งสอบตกแล้วมันลองพูดแต่ข้อที่สามติดฝาแล้วนะมงคลข้อหนึ่งเขบอกว่าอะไรอเสวนาจะพาลานาะไม่คบคนพาลปัณติตานันจะเสวนาการครบบัณฑิตคนพาลมียี่ห้อมีนิมิตมีเครื่องหมายว่ากั้นอยี่ห้อนิมิตเครื่องหมายของคนพาลเป็นอย่างไรก็ดูได้จากกายกับคนพาลมักฆสัตว์คนพาลมักลักทรัพย์คนพาลมักประพฤติผิดในการคนพาลเมื่อจะพูดก็พูดเทศ พูดคําหยาบพูดส่อเสียดแล้วก็พูดเพอ์เจอร์อันนี้ก็ลักษณะยี่ห้อนิมิตเครื่องหมายของคนผานแล้วคนผานเวลาจะคิดก็คิดอภิชามากๆคนพานเมื่อจะคิดก็คิดเป็นไปกับโพสะพยาบาทเมื่อจะคิดก็คิดเป็นไปกับทิฐิอันนั้นแหละนิมิตยี่ห้อเครื่องหมายของคนผานเหมือนกันคนลักษณะนี้บอกว่าห่างไว้ดีอกิจติบัณฑิตกล่าวว่าโอ้ยอธิษฐานให้ห่างเป็นร้อยโยศนะ รยย่อก็คูณสิบหกิโลเมตรเข้าไปก็นั่นแหละท่านอยู่คนละภาคเลยนะขอให้พ่อคุณนี่อยู่เปรตรงเอะฉันจะอยู่สามเหลี่ยมทองคำเองอันห่างกันไว้อย่างนี้บุคคลที่ควรใช้เฉยเสียไม่ควรเสพไม่ควรคบไม่ควรเข้าไปใกล้เป็นอย่างไรนะไม่ควรไม่ควรคุ้นเคยหรอกใช้เฉยไว้ดีบุคคลลางคนในโลกนี้เป็นคนขี้โกรธนิยมโกรธอ่ะ มีความคับแค้นมากถูกเขาว่าหน่อยก็ขัดเคืองเครืงเคียดเงางอดทําความกำเริบความร้ายและความเดือดดานให้ปรากฏเหมือนแผลร้ายถูกไฟไหม้หรือกระเบื้องเข้าหนองมาก็ไหลเคยอุปมาแล้วใช่ไหมว่าคนที่มักโกรธก็คนที่มีใจเหมือนแผลนะมีใจเหมือนแผลพอไปได้รับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าแผลน้ําเลือดน้ําน้องก็ไหลออ ก, ก น, นะ หรือว่าคนที่โกรธบ่อยๆก็เหมือนกับเฟืนไม้ตินดุกะนะถูกครูดด้วยไม้หรือกระเบื้องก็ส่งเสียงดังจิจิตะจิจิตะเป็นยังไงมันมีเฟืนบางชนิดถ้าใครไปโดนมันจะมีเสียงอ่างนั้นเถอะคนมีโทรษก็เหมือนกันนะไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้นะเดี๋ยวมีปากมีเสียงทันทีเลยเหมือนลุมคูด ถูกรานด้วยไม้หรือกระเบื้องก็ยิ่งเหม็นเข้าออว่างั้นเถอะห้องน้ํานี่มันเต็มนะยิ่งราดไปเปลนยิ่งแรงเข้าไปอีกอย่างนั้นบุคคลลางคนในโลกนี้เป็นคนขี้โกรธมีความแค้นมากถูกเขาว่าหน่อยก็ขัดเคืองคร่งเคียดเงาเงอ้อทำความกําเริบความร้ายและความเดือดรานให้ปรากฏฉะนั้นบุคคลเช่นนี้พิสูจทั้งหลายควรใช้เฉยเสียไม่ควรเสพไม่ควรครบไม่ควรเข้าใกล้นั่นเพราะเหตุไรเพราะเกรงว่า เขาจะด่าว่าเราบ้างเขาจะตะเพิดเราบ้างจะทําเราให้เสื่อมเสียบ้างเพราะเหตุนั้นบุคคลชนิดนี้ควรเฉยๆนะคนที่มีอัธยาศัยโกรธบ่อยๆนี่อย่าไปเกี่ยวข้องกับเขามากนะักถ้าเกี่ยวข้องมากนะใจเราจะบาปไปกับเขาด้วยแล้วก็บุคคลที่ควรเสพควรครบควรเข้าไปใกล้เป็นอย่างไรบุคคลลังคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีธรรมะอันงามบุคคลอย่างนี้ควรเสพควรครบควรเข้าใกล้ นั่นเพราะเหตุไรเพราะถึงแม้ผู้คบจะไม่เอาเยี่ยงอย่างคนเช่นนั้นแต่ก็จะมีกิติศัพท์อันงามขจรไปว่ามีเป็นคนมีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีนะเพราะเหตุ น, นั้นบุคคลอย่างนี้ควรเสพควรครบควรเข้าใกล้นะเขาจะคบเราด้วยหรือเปล่าคนดีนะ น, <c oughs> นี่แหละพิสูจนทั้งหลายบุคคลสามมีอยู่ในโลกพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคาถานิคมว่า คนผู้คบคนสามย่อมเสื่อมไปหาคนเร็วๆคบเนี่ยนะมีแต่เสื่อมอย่างเดียวส่วนคนผู้คบคนเสมอกันไม่เสื่อมในการไหนเพมเท่ากันนี้ใช่ไหมคบคนที่ประเสริฐกว่าย่อมเจริญเร็วเพราะฉะนั้นจึงควรครบคนที่ยิ่งกว่าตนนะอันตรงนี้พระพุทธเจ้าก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการครบคนไว้ด้วยนะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้จักไม่ใช่ว่า เขาเป็นคนไม่ดีเราให้อภัยเสร็จแล้วก็ยังไปเกี่ยวข้องเดี๋ยวก็โดนอีกเดี๋ยวโทษะเรียกว่าอะไรนะฐานไฟเก่าเนี่ยมันได้เชื้อมันประทุเร็วงั้นโทสะที่มันเคยโกรธใครไว้นะวันนี้โกรธเท่านี้นะสิบเปอร์เซ็นก่อนนะก็ไปเกี่ยวข้องกันวันหลังเนี่ยมันโกรธใหม่นะมันเพิ่มเป็นยี่สิบเลยมันจะบวกของเก่าอีกนะก็ไปเจอคืนดีกันอีกนานๆก็โกรธสามสิบเลยกันี้มันจะมากขึ้นมากขึ้นเพมันได้อุปนิสัยได้เชื้อแล้ว เรื่องความโกรธนะอาฆาตนะครตอนสมัยเป็นนักเรียนผมก็เคยโกรธกับเพื่อนนักสี่ห้าปีนะครับไม่พูดด้วยเลยคนระับผมมามองหน้ากันทุกวันวันไม่พูดมันทรมานใจประสงควรนะผมยอมแพ้ตนเองคนระต้องไปพูดเขาก่อนนะแล้วก็เราก็ดีกันนะครับอันนี้เป็นสมัยเด็กๆนะครับซึ่งเรื่องที่โกรธก็คงเป็นเรื่องที่ทําให้เจ็บช้าน้ําใจซึ่งไม่ได้มีอะไรหนักหนานะครับอตอนที่มีอายุอย่างนี้นะครับนะถ้าโกรธ นะถ้ามีความโกรธขึ้นผมไม่ไม่เกลียดความโกรธนะครับผมรู้ว่าผมมีอุปนิสัยอย่างนี้ผมกลับใช้ความโกรธให้เป็นประโยชน์นะฮะเราทำยังไงนะนะที่จะให้กำลังใจตนเองว่าไอโกรธมันไม่ดีมันมันเผาตัเองอะ่ะนะฮะแล้วก็ดูว่าสิ่งไหนนะฮนะถ้าทำให้ไม่พอใจนะนะมันไปไปมาเราเนี่ยจะเป็นบาปมากกว่าคนที่เขาพูดไม่ถูกใจกเราผมคิดอย่างนี้พ่อจาน้องครับเต็มทีา ดีมกันนะคือหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะไม่โกรธนะนะพระผู้มีพระภาคนี้ทรงอุปมาผู้คนต่างๆไวในอังคุตระนิการนี่หลายอย่างไนะก็ว่าบุคคลนี่เหมือนรอยขีดอ่างนั้นแทบบุคคลเหมือนรอยขีดในหินในดินหรือว่าในน้ำนะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนที่สูทั้งหลายบุคคลสามนี้มีปรากฏอยู่ในโลก บุคคลสามคือใครคือบุคคลเหมือนรอยขีดในหิน <Okay. S 1> บุคคลเหมือนรอยขีดในดินบุคคลนี่เหมือนรอยขีดในน้ําแล้วเราเป็นแบบไหนลองคถามดูที่ว่าเรานี่มันดินหินหรือน้อําำบอกว่ารอยขีดในหินเนี่ยเป็นอย่างไรบุคคลลางคนในโลกนี้โกรธเนืองเนืองว่า ง, งั้นเถอะและความโกรธของเขานั้นเนี่ยติดกลุ่นในใจไป น, นาน เหมือนรอยขีดในหินไม่ลบง่ายๆด้วยลมพัดหรือน้ำซ้อย่อมติดอยู่นานฉันใดบุคคลรางคนในโลกนี้โกรธเนืองๆและความโกรธของเขานั้นก็ติดกลุ่นอยู่ในใจไป น, นานๆฉันนั้นนี้เรียกว่าบุคคลเหมือนรอยขีดในหินนะโอ้แรงกระวาดมันเป็นฐานบางชนิดนะติดติดแนละ้วมันตะทุแรงมากไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เลิกม่าลาจริง คลายๆทานเห็นนี่ ว, ว่านั่นแหละโทรศัของบางคนบางคนก็ลักษณะนั้นแหละได้ปัจจัยเนี่ยนะเดือดเดือดนานจริงๆเลยโทรศัก็โทรศัพนาน mm hmm. บุคคลเหมือนรอยขีดในดินเนี่ยเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้โกรธเนืองๆแต่ว่าความโกรธของเขานั้นไม่ติดกลุ่นอยู่ในใจนานเหมือนรอยขีดในดินย่อมลบง่ายหรือด้วยลมพัดหรือน้ํำซ้อ หาติดอยู่นานไม่ฉันใดบุคคลลางคนในโลกนี้โกรธเนืองแต่ว่าความโกรธของเขานนั้นไม่ติดกลุ่นอยู่ในใจนานฉันนั้นนี้เรียกว่าบุคคลเหมือนรอยขีดในดินอะไได้ปัจจัยก็โกรธและได้ปัจจัยก็โกรธแต่ว่าไม่นานยังไงดีตรงไม่นานไอโกรธบ่อยนี่ไม่ดีต้องรัดรัดแบ่งแบ่งเอาบุคคลเหมือนรอยขีดในน้านเป็นอย่างไร บุคคลลางคนในโลกนี้ถูกว่าแม้ด้วยคำเลวคําหยาบคำไม่เจริญใจก็ยังสมานไว้ได้ประสานไว้ได้ยังพูดจาดีอยู่ได้เหมือนรอยขีดในน้ำพลันหายไม่ติดอยู่นานเลยฉันใดบุคคลลางคนในโลกนี้ถูกว่าแม้ด้วยคําเลวคําหยาบคําไม่เจริญใจก็ยังสมานไว้ได้ยังประสานไว้ได้ ยังพูดจาดีอยู่ได้ฉันนั้นนี่เรียกว่าบุคคลเหมือนรอยขีดในน้ําเราก็หินดินน้ํเาเลือกเอาไม่ใช่เลือกเอานะเป็นอะไรอยู่แล้ว <c oughs> โศกเป็นต้นมากๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่อยากคิดถึงคนประเภทนั้นเลยนะ <c oughs> พระพุทธเจ้ายังไม่คิดถึงเลยอะ่ะนะมาฟังสูตรนี้ดูนะบอกว่าใครที่ปล่อยใจให้ไป บ, า, บาปบเนี่ยนะพระพุทธเจ้าไม่ค่อยคิดถึงคนนั้นเล เขาบอกว่าแค่คิดพ่ะองค์ยังไม่อยากคิดถึงเลยอะ่ะ mm hmm. ข้อความในพันธนะสูตร mm hmm. นะติการี่บาทเหมือนกัน mm hmm. ดูก่านพิสูุนทั้งหลายภ mm hmm. ิกษุในทิศใดเกิด mm hmm. นะแก่งแย่งทะเละวิวาท mm hmm. ทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือปากแม้แต่นึกถึงทิศนั้นก็ไม่เป็นที่ผาสุกแกเรา mm hmm. พระพุทธเจ้ายังคิดเลยเพ่อองค์ยัง <laughs> ยังไม่ผาสุกเลยนะ mm hmm. ไม่สมานับเลยอะ่ะ ไม่ต้องกล่าวไปถึงการที่ภิกษุเช่นนั้นนะกระาว่าขนาดแค่พระพุทธเจ้าคิดนะพระองค์ยังไม่ผาสุกนะไม่ต้องไปที่ตรงนั้นด้วยเลยเราแน่ใจว่าเธอเหล่านั้นจะละทิ้งธรรมสามประการมัวประกอบธรรมสามประการกลุ่มนั้นเนี่ยต้องต้องทิ้งธรรมสามเจริญอะธรรมสามเหมือนกันเลยละทิ้งธรรมสามประการคืออะไรคือเนคขมะวิตก อพยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกมัวประกอบธรรมะสามประการคือการมวิตกเถียงกันก็เถียงเรื่องการนั่นแหละพยาบาทวิตกนะวิหิงสาวิตกพิสุท์ทั้งหลายในทิศใดพิกษุเกิดแก่งแย่งทะเลาะวิวาททิมแทงกันและกันด้วยหอกคือปากแม้แต่นึกถึงทิศนั้นก็ไม่เป็นที่ผาสุขแก่เราไม่ต้องกล่าวไปถึง ในการที่ภิกษุเช่นนั้นนะไม่ต้องกล่าวถึงการไปก็คนะือไม่ต้องกล่าวถึงการไปในในที่ที่ภิกษุเหล่านั้นอยู่เราแน่ใจว่าเธอเหล่านั้นละทิ้งธรรมะสามประการนี้มัวประกอบธรรมะสามอย่างนี้นะถ้าเรากำลังโทสะอยู่นะพระองค์ไม่ไปเด็ดมาหาเราแน่นอนเลยนะที่ดูนะใจของเราเนี่ห่างแล้วภิกษุทั้งหลายในที่ใดภิกษุ พร้อมเพียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาดการกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นประหนึ่งว่านมผสมกับน้ามองดูกันและ ก, กันด้วยปิยจกักษุคือสายตาของคนที่รักใคร่กันแม้เราไปทางทิศนั้นก็เป็นที่ผาสุขแก่เราไม่ต้องกล่าวถึงเพียงนึกนั้นเถอะขนาดไปนี่พระ อ, องค์ยังสบายใจเลยนะสแสดงว่าพระ อ, องค์ชอบนึกถึงแบบนี้เหมือนกัน แต่ก็อย่าลืมนะว่าพราะองค์ไม่มีโลภะเป็นต้นเจือนะในการที่ภิกษุเป็นเช่นนั้นเราแน่ใจว่าเธอเหล่านั้นละธรรมะสามประการเสียได้ประกอบด้วยธรรมะสามประการอยู่ละธรรมะสามประการคืออะไรคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกประกอบด้วยธรรมะสาประการคือเนคขมวิตกอัพยาปาทวิตก และอวิเหงสาวิตกพิกษุทั้งหลายในทิศใดพิสษุพร้อมเพียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นประหนึ่งว่านมผสมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยปิยะจักสุคือสายตาของคนที่รักใคร่กันแม้เราจะไปในทิศนั้นก็เป็นที่พาสุกแก่เราไม่ต้องกล่าวถึงเพียงนึกหือนนเ ในการที่พิสุเป็นเช่นนั้นเราแน่ใจว่าเธอเหล่านั้นละธรรมะสามประการนี้เสียได้ประกอบด้วยธรรมะสามประการนี้อยู่นะถ้าเราเป็นบาปเมื่อไหรก่ก็โอ้พุทธเจ้านี่แม้แต่นึกพรงไม่อยากนึกถึงเลยนะแต่ ว, บบวโอ้โกรธไม่ขึ้นอย่างนั้นขณะนั้นโปรดไม่ขึ้ น, น, น, น, น, น, รนพระองค์นี้จะคนที่กําลังเป็นใจเป็นบาปเป็นอกุศล น, นะพระองค์ไปแล้วเนี่ยเขาจะได้บรรลุมรรคผลเนี่ยพระองค์จริงกลับไป แต่ถ้าธรรมดานี่ไม่ไปเลยนะในเมืองโกสามพีนี้ภิกษุทะเลาะกันนี่พระ อ, องค์นี้ประจำมรนสาอยู่องค์เดียวภ <c oughs> ิกษุทะเลาะกันอ่ะนะหนีไปไปอยู่ปาา่าลีลายกะไปอยู่กับลิงนู่นพระพุทธเจ้าไปอยู่กับลิงกับช้างนู่นนะม <c oughs> ันพระองค์นี้บอกว่ไม่ไม่ชอบเลยนะเ <c oughs> พราะว่าพระ อ, องค์นี้รังเกียจบาปรังเกียจอกุศลนะเ <c oughs> พราะภาถอาหารทั้งหลายนี้ท่านไม่มีใจเป็นไปกับบาปไม่มีใจเป็นไปกับอกุศล ถ้าหากว่าเราปล่อยใจเป็นไปกับบาปอกุศลเราก็ห่างไกลจากคำสอนเ น, นี่ยเนาะแจ๊ะท่านไปโปรดคุณพ่ออกับแม่ใช่ไหมพราหมณ์สององค์สองคนนั้นเป็นพระนาคามีแล้วก็แ ต, แต่ลูกสาวนนอาฆาตพุทธเจ้า <c oughs> นั่นทำไมยังสงสัยว่าพ่อแม่เป็นถึงพระนาคามีแล้วไม่ไม่สามารถให้ใ ห, ให้ลูกไม่ไม่ไปโปรดลูกบ้างไม่โปรดโลก ก็อย่าว่าโลกเล ย, อยเอางี้นะนเดี๋ยวยวว่าหาอุทาหรณ์อื่นๆมาว่าก่อนนะค่ะ พ, ะ, ททพะพระเทวทัพยังตกนรกเลยนะพระเทวทัพเนี่ยศักดิทางโลกโลกนี่เรียกว่าพี่พี่พี่พี่เมียน ะ, ะ พ, ยพระเทวทัพเนี่ยตกเป็นพี่เมียพระเจ้าสุปพุทธเนี่ยเท่ากับเป็นพ่อต า, อ ต, าตกนรกทั้งคู่เลย <c oughs> บากมากๆครับช่วยไม่ได้เหมือนกันแล้วอันนี้แบบทางทั่วโลกกันนะทางโลกอน่ะ คือพนางมาคันธยาเนี่ยนะผูกผูกอาคาดที่จริงอ่ะเขาเขาพนางมาคันธยาเนี่ยผิวของนางเนี่ยเหมือนทองคำํำเป็นคนที่ผิวงามมากนะนับว่าบรรดาคนสวยทีนี้พวกกษัตริย์เป็นต้นเนี่ก็ไปสู่ขอกัน น, นะนะพ่อเนี่ยก็ไม่ยอมยอกให้ใครแม้แต่คนเดียวอ่ะถือว่า อ, อตาพรามคนนี้นะมาคันธยาพรามเขาบอกว่าลูกสาวของเราเนี่ยมีผิวเหมือนทอง อันเราจะยอมยกให้แก่คนที่มีผิวเหมือนทองเท่านั้นก็มีความเห็นแบบนี้แต่แล้วมีครั้งหนึ่งไปเห็นพระพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตก็บอกโอ้แม่เหมาะสมเหลือเกินอย่างเง้ยเหมาะสมกันมากก็เลยส ม, มณะส ม, มณะรอก่อนนะเนี่ยเราจะยกลูกสาวให้ท่านอย่างเงี้เยเสร็จแล้วก็ไปแต่งตัวแต่งให้อะไราให้ลูกสาวเบ่งเสร็จแล้วก็เอาไปให้ทีรันี้ตอนหลังนี้พระองค์ก็ไม่ได้แลดูนางมาคันธยานั่นแหละแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าถึงความหลังให้ฟังอย่างเงี้ย ความหลังของพระองค์ที่มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยนะที่ลูกสาวของพญามานเนี่ยนะที่ไปไปยั่วยวนพระองค์เนี่ยพระองค์ก็บอกว่า <c oughs> ความพอใจในเมถุนธรรมเนี่ยนะไม่ได้มีแกแกนางตันหานางราคาและนางอรดีเลยนะความพอใจในเมถุนธรรมอย่างไรจักมีเพราะได้เห็นที่ดาแห่งลูกสาวของท่านเล่าว่า ง, งันะ้นเห็นลูกสาวของท่านเล่า เราไม่ปรารถนาที่จะถูกต้องสรีระแห่งบุตรสาวของท่านเนี่ยแม้ด้วยเท้านันแหละไอ้คนสวยนี่โอ้โหพยาบาทเต็มที่เลยนะไม่เอาเราก็น่าจะพูดกับเราดีดีว่างั้นนะทำไมต้องใช้คำขนาดนี้ด้วยนะแต่ว่าคำนี้มันมีผลกับพ่อกับแม่ถ้าพระ อ, องค์ตรัสอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลต่อพ่อแม่อย่างแรงถึงกับพ่อแม่ฟังสูตรนั้นจบเป็นพระ อนาคามีแล้วตอนหลังจะออกบวชและได้เป็นพระอรหันต์แต่พระองค์จะไม่สนใจคนที่เหลือเลยพระองค์ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจเลยว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปพระองค์จะช่วยคนพอที่จะช่วยขึ้นโปรดคนพอที่จะโปรดขึ้นถามว่าพระองค์มีการุณาไหมมีแต่พระองค์การุณาคนที่พอช่วยได้ก่อนนะคนที่จะจมหนักก็อย่าลืมนะพระองค์จะช่วยคนไม่ได้พระองค์ไม่เคยเสียใจ พระพุทธเจ้าส่งเคราะห์โลกด้วยกรุณาแต่พระองค์ไม่ติดข้องกับโลกด้วยปัญญาะอันนี้เป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งนะในปัญญาที่คุณกับกรุณาที่คุณถ้าพระองค์มีปัญญามากจะลำเอียงถ้ากรุณามากถ้าปัญญามากเกินไปก็จะเรียกว่าเป็นคนที่คล้ายๆกับโกงอ่ะนะแต่ถ้ากรุณามากก็จะยึดติดหรือจะลำเอียงแต่พระองค์นี่ปัญญากับกรุณาของพระองค์นี่สมดุลกัน นั้นพระปัญญาก็คือพระปัญญาก็คือบทว่าบทว่าอะไรอรหังหอะไสัมมาสัมพุโทโธนี้ปัญญาและก็พักวตานี้ก็เป็นเป็นชื่อของพระกรุณาฉั้นพักวากับสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยสัมพันธ์กันมากในการที่จะสงเคราะห์สัตว์นะแต่อย่าลืมว่าคําพูดเหล่านั้นถามว่าที่โพ์ตรัดนี่เป็นสัตว์จระไหมเป็นแต่ว่าคนที่ที่เขายังยินเดียนะ ก็บอกโอ้มันดูถูกกันเกินไปอะนะก็เลยตอนหลังเนี่ยพยาบาทมากว่างั้นผูกเวรเนยนะกับสมณนะคนนี้เนี่ยหาเรื่องให้ได้ว่างั้นเถอะจะต้องแตกกันไปข้างใดข้างหนึ่งอะ่ะมันถ้าได้โอกาสเนี่ยตอนหลังพ่อก็บวชนะพ่อแม่นี่เป็นพผ้านาคามีก็บวชและเป็นพผ้าทหารก็ยกให้ลูกสาวเนี่ยไปให้ไปให้น้องอะน้องของมาคันธยะเนี่ยดูแลน้องมาคันธิยะนี่เป็นอัมมาตอยู่กับพระเจ้าอุเทนก็เลย ยกนางมาคันดียาให้เป็นมเหสีคนที่สามของของพระเจ้าอุเทศและรู้ว่ามเหสีคือนางสาวมาวดีเนี่ยเป็นคนที่นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยหาเรื่องกับนางสาวมาวดีก่อนนะใครก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ยคนนั้นจะต้องได้รับการหาเรื่องหมดแหละมันพยาบาทนะครพยาบาทพระพุทธเจ้าและพยาบาทถึงสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยนะถึงกับจุดไฟเผาเนี่ยนะสั่งให้เผาคนเป็นๆหนึ่งห้าร้อยคนนี่ก็กแสดงว่า ใจก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผิวก็เหมือนทองอ่นนะเนาะแต่ถ้าโทรศัมันเผาแล้วก็ไม่ได้เลือกกันนะไคงหมดเวลาแล้วล่ะ